ปฏิบัติจิตตะาวนาจึงฆ่ากิเลสได้ถึงแม้ท่านจะเคยปฏิบัติด้านจิตตาวนามาบ้างและก็มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้านปริยัติถึงเจ็ดปีก็ตาม แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ทำให้ความสงสัยของท่านในเรื่องมรรคผลนิพพานหมดไปยังคงเก็บความสงสัยอยู่ในใจตลอดมาและก็ดูเหมือนกับท่านอาจารย์มั่นจะล่วงรู้ถึงวาระจิตของท่านจึงพูดยี้เอาตรงๆในคืนแรกนี้เลยว่า ท่านมหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลส กิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านกําหนดจิตจอด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลําดับลําดา เทศนาดังกล่าวนี้ทำให้ท่านมีความมั่นใจในเรื่องมรรคผลนิพพานและเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นของท่านอาจารย์มั่นที่พูดไขข้อข้องใจได้ตรงจุดแห่งความสงสัยจากนั้นท่านอาจารย์มั่นมีเมตตาชี้แนะบทธรรมในภาคปฏิบัติให้ ด้วยทราบว่าท่านมีความรู้ในภาคปริยัตเต็มภูมิมหาปริยนและนักธรรมเอกและมีความสนใจใคร่ต่อการประพฤติ ป, ปฏิบัติบทธรรมบทนี้แม้จนบัดนี้ยังคงฝังลึกภายในใจของท่านตลอดมาดังนี้ ท่านมหากานับเรียนมาพอสมควรจนปรากฏนามเป็นมหาผมจะพูดทำให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดแต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะเวลานี้ทำที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อยยังไม่อำนวยประโยชน์ให้ท่านสมภูมิที่เป็นปเปลี่ยน